i.hinews.prd.go.tn ภักนี้เป็นอะไรอ่ะดูไม่ค่อยจะสดใสเหมือนเคยใครจะอารมณ์ดีสดใสหยุดได้อ่ะถ้าประจำเดือนมาขัดขัดหายหายฉัน่ะกังวลจะตายอยู่แล้วอ้าวแล้วทำไมไม่ปรึกษาฉันมีวิธีอ่ะนี่ยาวีกิฟต์ยาวีกิฟต์ า ย, ยาวีกิฟเป็นยาแผนโบราณยาน้ําผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า10ชนิดช่วยบํารุงโลหิตสําหรับสตรีที่มีปัญหาประจมเดืินมาไม่ปกติอย่างเธ อ, อยาวีกิฟเป็นยาแผนโบราณยาหน้ําผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสู่คุณสุภาพสตรีรัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนําเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนําเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่ มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกลุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนาม บ, บินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าการครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ีปีหรือปรับไม่เกิน4มื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อพรบรถไม่ต้องรอเดี่ยวเพราะการประกันภัยรถยนต์ให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคนในวงเงินสูงสุด2 0 0 0บาท และมั่นใจยิ่งขึ้นถ้ามีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจพรบรถดูแลคุณทุกเส้นทางสร้างสํำนึกรับผิดชอบสังคมมีรถต้องทําประกันภัยนะคะประสบภัยจากรถพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภยัยหรือขอความช่วยเหลือด้านการประกันภยัยติดต่อศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภยัยโทรสายด่วนประกันภยัย 1186หรือโธ 0-4271-4838-0-4271-1039 สื่อสัตว์เสียสละยุติธรรมประหยัดขยันและอรรัทนรับผิดชอบตรงต่อเวลาจริยธรรมขราชการไทยสร้างเมืองไทยมีความสุขสำนักประหลัดสำนักนา ย, ยก ร, รัธมนตรีเันตัิยาตให้ไปฉันคุมใจที่ทัท้ตามบา การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยแต่ละคนทำงานสุจริตตามความถนัดความสามารถรับผิดชอบหน้าที่เคารพสิทธิ์ของกันและกันรู้รักสามาคัคคีและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพายุฤดูร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมมักจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ก่อนเกิดพายุฤดูร้อนมักจะมีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันหลังจากนั้นจะเกิดพายุลมแรงและฝนฟ้าขนองพัดพาสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนสิ่งถูกสร้างและพืชผลทางการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสายไฟทั้งในอาคารและบริเวณบ้านตัด และตกแต่งต้นไม้ไม่ให้รับกระแสลมจัดเตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มยาปฐมพยาบาลไฟฉายและฐานไฟฉายซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงและในขณะที่เกิดพายุลมแรงไม่ควรออกมาอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาควรอยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างทุกบานขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติโทรสายด่วน1784 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไม่ว่าคนไทยจะเกิดในจังหวัดไหนโตเป็นเด็กสุกสนในอำเภอใดเป็นไหวยรุ่นวุ่นรักในตำบลทางไกลเป็นพ่อเป็นแม่หรือแก่ชาราในตรอกซอกซอยใด หลักประกันสุขภาพทวนหน้าก็จะดูแลคุณในทุกช่วงวัยทั่วไทยเพราะนี่คือหลักประกันสุขภาพที่คนไทยจะได้รับสิทธิและเข้าถึงอย่างทวนหน้าตั้งแต่เกิดจนชราภาพตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลและสอบถานเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0สสร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้หน่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพลม fm 90.25 เมกะเฮิรซสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดคนครพนม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเมืองน่าอยู่ทางสถานีวิทยุยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 สิบจุดอเมกรค่ะกนกนกยิปพิกล น, นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่วันนี้มีภารกิจต่างๆที่จะมาประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวนครพนมค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงถิ่นพนมนะคะ เรียกว่าเรียกพลังกันแต่เช้านะคะในช่วงนี้หลายท่านนะคะไปไหนมาไหนก็จะมีเพลงประจําตัวนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนครพนมมีหลายเพลงค่ะฝากไปให้พี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งะค่ะวันนี้นะคะเรื่องของภารกิจจังหวัดนครพนมนั้นจะมีการนําโครงการทูบีน้ำวันแล้วก็ เป็นวาระของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากว่าโครงการนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในทั้งเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงผลงานที่ปรากฏต่อสายตาพี่น้องชาวนครพนมและยาเสพติดนั้นเราก็มักจะได้ยินอยู่เสม อ, สมอว่าเป็นพิษเป็นภัยร้ายต่อสังคมเพราะฉะนั้นการที่จะน้อมนำโครงการนี้นะคะมาเป็นวาระจังหวัดนั้น เราต้องฟังกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งวันนี้นายแพทย์ประภาสวีรพลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครพนมอยู่กับเราที่นี่นะคะซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มาโครงการเดียวนอกจากนั้นยังมีเรื่องของโรคไข้เลือดออกอีกด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณกรกระหน ก, นกแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกๆ ท, ท, ท่านครับค่ะเรื่องของโครงการทูบีนัมเบอรวันและยาเสพติดนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ เป็นวาระของจังหวัดแล้วนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มของยาบ้านี่ระบาดมากนะครับซึ่งทางโครงการทูบีน้ำวันเองก็มองว่าการที่เยาวชนหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างๆเนี่ยจะไปติดยาเสพติดนะฮะ ต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทําโครงการทูบีนน้ำประวัตให้เป็นจริงนะครการที่จะทําให้เป็นจริงนี่ก็จะต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารสุขมหาไทยแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวกับสังคมต่างๆรวมทั้งท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองปัญหาการระบาดของยาเสพติดแล้วก็หาวิธีป้องกันต่างๆที่จะมีการส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนเยอะๆนี่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มองว่าเราน่าจะน้อมนําโครงการทูบีตะวันนี้เป็นวาระของจังหวัดนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่นั่เวลานี้ครับค่ะซึ่งนะคะการน้อมนําเรามีการดําเนินโครงการอย่างนี้ไปอย่างไรคะครับ สำหรับปีนี้นะครับนาคารพนมพของเราเองก็มีผลงานเด่นทางด้านทูบีนธรมวันดีอยู่หลายเรื่องนะครับแต่เพื่อความยั่งยืนนะครับและก็เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราก็นํามาเป็นวาระของจังหวัด น, นาคารพนมนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านอดิศักดิ์เทพอาจแล้ก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมชายวิทำรงนะฮะที่ดูแล โครงการ To ูบีนำวันอยู่เวลานี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราประกาศเป็นวาระของจังหวัดเลยนะฮะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือและก็มีความชัดเจนในการดาเนินงานนะเพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดทูบีน้ำวันต้นแบบต่อไปภายในปีนี้ให้ได้นะครับซึ่งเรากา็มีพันธกิจร่วมกันว่านครพนมเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสุขมุ่งสู่จังหวัดทูบีน้ำวันต้นแบบ เป้าประสงค์ก็คือให้เป็นจังหวัดทุบีน้ำปวัตต้นแบบให้ได้นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เราจะดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ประชุมกับทุกภาคส่วนมาพร้อมทั้งเราได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงมาแล้วที่โรงพยาบาลไ อ, อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับ เ, เมื่อสักต้นปีที่ผ่านมานะครับ ทีนี้ในการดําเนินงานเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดําเนินการไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้ให้เป็นจริงและก็จริงจังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ทั้ง4นะครับที่เราจะต้องดําเนินการนะครับนะโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยในเรื่องของการรณรงค์การสร้างกระแสนะฮะเกี่ยวกับ To ูบีน้ำมันนะครับ อที่สก็คือยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนะให้ให้มีผู้เกี่ยวข้องหรือมีผู้ส่วนร่วมมากขึ้นนะครับและยุทธศาสตร์ที่4ี่ก็คือการบริหารจัดการแบบบูรณาการนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวก็จะเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับค่ะ ซึ่งการดําเนินการเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับเรา เ, เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับวาระจังหวัดนะฮะจากการประชุมหัวหน้าส่วนหรือกรมการจังหวัดที่ เ, เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ได้ประกาศจังหวัดนครพนมนะฮะ เ, เป็นวาระจังหวัดที่จะดําเนินการ อ, อ, อย่างจริงจังและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเราคิดว่าเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนเองหรือนอกโรงเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะให้มีกิจกรรมเหล่านี้นะครับใหเ้เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับ เ, เพื่อไม่ให้ประชาชนหรือเยาวชนเนี่ยหันไปหายาเสพติดนะครับนะ กาที่ต่อมาก็คือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยบุรณาการคนก็ประมาณแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับ To ทู B ีน้ำม่วงนั่นแหละครับซึ่งเรา ค, คิดว่าไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การ บริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลต่างๆเนี่ยนะครับควรจะมีการบูรณาการทั้งงบประมาณและก็การดำเนินงานต่างๆซึ่งสาธารณสุขเองเนี่ยเป็นเลขาของคณะทำงานนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดที่เป็นประธานดูแลกํากับทั้งจังหวัดอยู่นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการนําตราสั ญ, ญลักษณ์ของโครงการทบีนธรรมวันในการติดป้ายกิจกรรมหรือโครงการต่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัด แล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีเรื่องอกิจกรรมต่างๆพยายามให้สอดแทรกเป็นโครงการท no. ูบีน้ำวันไปด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการรายงาน เ, าเข้ามายังโครงการนะฮะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับในทุกวันที่15ของเดือนนะครับซึ่งเร า, เาได้ ชี้แจงแบบฟอร์มการรายงานเข้าไปแล้วอันนี้เป็นอย่างทางการนะครับนอกจากนั้นนะฮะเราก็มีการรณรงค์ทุกวันพฤหัสให้ใส่เสื้อโครงการ To บีน u m b e r no. รวันนะครับในเสื้อสีแสดหรือสีส้มที่เราใช้กันอยู่นะครับในทุกวันพฤหัสของทุกสั ป, ปดาห์นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็สนับสนุนพัฒนาโครงการ หรือองค์กรต่างๆในสังกัดนะฮะเข้าสู่ชมรมกิ จ, จกรรมทวีนวันอย่างต่อเนื่องก็คือลดปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยู่ทั่วไปนะครับน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะฮะประมาณวันที่15มิถุนาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องอรายงานตามแบบฟอร์มที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับ เพื่อให้ทราบแล้วก็จะได้บันทึกว่าแต่และหน่วยงานได้ดําเนินการมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนะฮะเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่ะก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นการสร้างกระแสทูบีนัมเบอรวันะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันดำเนินการอย่างไรค ะ, ะภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือ เยาวชนเนี่ยจะต้องมีภูมิคุมกันที่เข้มแข็งคือจิตใจไม่ควรจะอ่อนแอรหรือพ่ายแพ้กับยาเสพติดนะครับอย่างเช่นครอบครัวนะฮะจะต้องเข้มแข็งนะครับการที่เยาวชนมีปัญหาทางครอบครัวหรือหรือภูมิคุกันทางครอบครัวไม่เข้มแข็งเนี่ยก็จะทําให้มีความโน้มเอียงนะครับหรือมีภาวะเสี่ยงที่เด็กจะไปหันไปหายาเสพติดนะครับซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ย เราจะต้องช่วยกันหลังจากนั้นเยาวชนก็เข้าสู่ภาคโรงเรียนนะครับโนะรบงเรียนจะต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานและก็นักเรียนนะครับเยาวชนต่างๆเนี่ยไม่ให้มีเวลาว่างที่จะไปรวมกลุ่มหรือว่ า, าผันไปหายาเสพติดนะครั บ, นะรบพายานนี้ต้องมีกิจกรรมทางด้านกีฬากิจกรรมทางด้านดนตรีกิจกรรมทางด้านร้องเพลงกิจกรรมทางด้านเต้นลํา รวมทั้งกิจกรร ม, มอื่นๆไม่ว่าจะทางด้านเกษตรทางด้านประมงทางด้านประกอบอาชีพเบื้องต้นก็นแล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กเนี่ยไม่มีเวลาว่างพอที่จะไปหันไปหายาเสพติดนะครับค่ะได้มีกิจกรรมใหม่ๆที่เริ่มต้นขึ้นบ้างหรือยังคะตอนนี้ของทางนายกองการบริหารส่วนจั ง, จงหวัดเองก็มีโครงการ ในเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันประกวดวงดนตรีแข่งขันร้องเพลงแม้แต่ทางด้านกีฬาต่างๆนะครับในส่วนของสาธารณสุขเองตอนนี้เราก็มอบหมายให้แต่ละอําเภอโดยเฉพาะแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์ทูบีน้ำวันขึ้นในในแต่ละโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นเลขา ที่คอยประสานงานระดับอำเภอนะครับว่าแต่ละท้องถิ่นหรือว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีกิจกรรมในส่วนไหนบ้างที่จะมาบูรณาการกันซึ่งเวลานี้เราก็ให้ติดตามน้องๆที่ผ่านการบำบัดนะฮะยาเสพติดต่างๆหลังจากบำบัดแล้วเนี่ยมีกับ คืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยมีการประกอบอาชีพหรือว่ามีสภาพการเจ็บป่วยหรือไปเยี่ยมเยียนหลังจากบําบัดไม่ว่าจะเป็นค่ายวิวัตรพ ล, ลเมืองไม่ว่าจะเป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งตอนนี้แต่ละอาเภอก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายด้วยหรือไม่คะใช่ครับค่ะนอกจากโครงการในการสร้างเครือข่ายเหล่านี้แล้วนะคะเราได้มีโครงการ ไปถึงหมู่บ้านชุมชนอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้ก็ทางชุมชนนี้เราก็พยายามทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งทางทางพัฒนาการจังหวัดนะฮะที่เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลในเรื่องนี้ อ, อ, อย่างเช่นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับบ้านนาสมดีนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็มีเยาวชนมาสนใจโครงการทุบีนอมวันซึ่งตัวอย่างหมู่บ้านแบบนี้เราควรจะส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะาผู้ใหญ่ในือผู้นำชุมชนเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับคือเราจะต้องหาวิธีทำไมทำอย่างไรถึงไม่ให้เยาวชนเนี่ยไปติดยาเสพติดมากขึ้นนะครับ ในปัจจุบันนี้ฝ่ายปกครองเองก็ได้ออกราตเตือนกลางค่ำกลางคืนไม่ว่าจะเป็นทางที่พักผู้โดยสารทางาบ้านล้างหรืออาคารล้างต่างๆที่เด็กจะไปมั่วสุมกันแล้วก็พากันเสพยาเสพติดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็มอบหมายให้ทางาหน่วยงานทา ง, ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามไป เชื่อมสัมพันธ์มะไมตรีกับสปปลาวนะพี่น้องฝั่งโน้นควรจะมีขยายเครือข่ายข้ามไปยังต่างประเทศนะฮะโดยาทางสปปลาวเองก็สนใจนะครับเพราะว่าเยาวชนฝั่งโน้นก็มีปัญหาเหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคำม่วนเองไม่ว่าจะเป็นวิจัย อ, อาชีพหรือว่ า, าระดับวิลัลคูหรื อ, อนักเรียนมัธยมฝั่งโน้นก็ คงจะต้องประสานงานกันใช้โครงการทบีน้ำวนคล้ายๆของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นนะเป็นการขยายเครือข่ายระหว่างประเทศนะครับเราคิดว่าความจริงจังในการดึงเยาวชนออกมาจากยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยเข้าไปในระดับโรงเรียนเข้าไปในระดับหมู่บ้านแทรกซึมไปนะครับซึ่งเราก็พยายาม ต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับเราถึงมองว่ามันเป็นการระบาดเหมือนการระบาดของโรคเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลดีๆนะครับค่ะก็จะเห็นว่าทั้ง3ยุทธศาสตร์ ะะยุทธศาสตร์ที่4ี่นี่ก็คือบูรณาการร่วมกันเพราะฉะนั้นการบูรณาการร่วมกันคงมิได้หมายถึงเฉพาะในจังหวัดนครพนมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรวมไปถึงการบูรณาการร่วมกันกันกนกนสบสปปลาวด้วยซึ่งการบูรณาการร่วมกันเหล่านี้นะคะท่านดําเนินการอย่างไรคะซึ่งจะต้องเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ในที่สุดค่ะ เ, เราต้องสร้างความเข้มแข็งนะครับตั้งแต่ รู้ว่าครอบครัวนะครับเวลานี้สังคมไทยเราครอบครัวก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับปัญหาในครอบครัวตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาหนี้สินปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้ราคาก็นําพาให้ความเข้มแข็งในครอบครัวก็อ่อนแอนะครับก็ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวหย่าร้างก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวก็ ขาดที่พึ่งทางใจนะครับอีกอย่างก็คือครอบครัวเราเนี่ยพ่อกับแม่ส่วนใหญ่ก็ไปทางานต่างจังหวัดทิ้งบทหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งความเข้มแข็งหรือการ อ, าอบรมสั่งสอนของคนแก่เนี่ยหรือผู้สูงอายุก็อาจจะไม่เข้มงวดเพียงพอที่จะดึงบทหลานให้อยู่ในสังคมที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนการบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รายงานที่จะต้องส่งครูตามโรงเรียนตามอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เด็กมีอาจจะาขาดผู้นำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆทำให้เด็กเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ จ, จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยหรือวัยเนี่ยนะมีฮอร์โมนเพศที่คอยกระตุ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงของสรีระมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อครูเชื่อเพื่อนมากกว่า เชื่อพ่อแม่ก็ไปรวมกลุ่มมั่วสุมกันสิ่งเ่าเนี้ยเป็นการ เ, าเหมือนกับว่าจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองใหเ้เข้ากลุ่มให้ได้นะครับประมาณว่าอยากจะเป็นไอดอลให้กับเพื่อนๆแต่ว่าไอดอลที่ไปเสพยาหรือไปทำอย่างอื่นเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับเราอยากจะให้เขาเป็นไอดอลทูบีนธรรมวันะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ควร จะสูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีเรื่องอะไรเหล่านี้ซึ่งมันสามารถเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อรั้วครอบครัวรั้วชุมชนเอ่อรั้วโรงเรียนต่างๆเนี่ยมันต้องมีความเข้มแข็งไปด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยๆกันนะครับ ค่ะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะก็จะทราบจากในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครพนมซึ่งได้ยินคําว่ายาเสพติดนั้นระบาดนะคะนึกถึงที่เวลามีโรคอะไรระบาดสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็มักจะได้ยินคําพูดอีกคํานึงว่าเอาไม่อยู่แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการระบาดยาเสพติดเพราะฉะนั้นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะหรือว่าการสร้างให้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งบุตรหลานมีความอบอุ่นก็จะเป็นการดึงนะคะ ยาวชนเหล่านี้ที่ออกมาจากยาเสพติดได้เป็นการป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะลงมือแก้ไขนะคะเป็นการง่ายกว่าค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าก็เริ่มตกแล้วการระบาดของไข้เลือดออกก็เริ่มที่จะมีขึ้นมาแล้วนะคะในบางส่วนบางที่ก็ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดวันนี้นะคะการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกทางสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนั้นดาเนินการอย่างไรคะ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนคนรพนมนะครับตอนนี้ฝนในต้นฤดูฝนนี่ก็ทยอยตกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งการฝนตกแบบวันเว้นสองวันวันเว้น3าวันเหล่านี้นะครับอากาศร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยทำให้ยุงลายนะที่เป็นพาหะของไข้เลดซองเนี่ย มีการแพร่พันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องฝากเลยว่าช่วงนี้ต้องช่วยๆกันนะครับทุกภาคส่วนลำพังแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพี่น้องอสมอเองคงเอาไม่อยู่เช่นกันนะครับซึ่งในปีนี้แนวโน้มจังหวัดนครพนมของเราเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกขึ้นมาประมาณว่าอันดับหนึ่งของ7 จ, จังหวัดของภาคอีสานตอนตอนเหนือนะครับภาคอีสานบนเนี่ยนะครับ ไล่ตั้งแต่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดร น, น้องคายบึงการสกลนครนะครปนมเนี่ยนะครับของเราขึ้นมาอันดับต้นๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับแล้วก็จังหวัดเราก็ฝนตกค่อนข้างเยอะนะนอกจากฝนแล้วยังมีลมแรงด้วยลมพายุมาด้วยสร้างาความเดือดร้อนกันทั่วทุกหมู่บ้านนะฮะโดยเฉพาะทางนาว่าสีสงครามโพนสวรรค์ท่าอูเทนนะครับ ในเรื่องของไข้เลือดออกปีนี้เราคิดว่าเราต้องลงไปดูในระดับหมู่บ้านนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดูแลรอบๆ บ, บ, บ้านและในบ้านเกี่ยวกับแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะครับซึ่งยุงลายเองก็เป็นที่มาของไข้เลือดออกสรุปแล้วเวลานี้ยุงลายทุกตัวที่อยู่ในจังหวัดนครพนมเนี่ยมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกอยู่ทุกตัวพี่น้องเนี่ยถ้าท่านเผลอพลังเผล อ, อ, อนั่งทานข้าวเย็นหรือว่านั่งหยุด ตามร่มไม้ตามหน้าบ้านก็นแล้วแต่ถ้าโดนยุงลายกัดมีโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องช่วยกันส่วนในเรื่องของการรณรงค์เนี่ยปีนี้เราเน้นย้าเลยนะครับว่าคงจะต้องเน้นย้าเรื่องการควบคุมแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านนะคแล้วก็รอบๆบรอบอ บ, บ้านก็คือต้องมีดัชน้ลูกน้ายุงลาย เนี่ยให้ต่ํากว่า10นะครับก็คือหมายความว่าใน10หลังสิบในร้อยภาชนะเนี่ยให้เจอต่ํากว่า10ภาชนะให้ได้เหล่าเนี้ยนะครับในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลานี้ก็สั่งการลงไปยังทุกอําเภอนะครับให้ใช้มาตรการทงเขียวทงแดงนะครับมีการสุ่มลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้านไข้กันนะครับหมู่บ้านนี้ไปสุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือคุ้มนี้ไปสุ่มอีกคุ้มหนึ่ง ถ้าบ้านหลังไหนเจอลูกน้ํายุงลายก็ปักธงแดงไว้เพื่อบอกให้เจ้าของบ้านเนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องช่วยดูแลบ้านแล้วนะว่ามีลูกน้ํายุงลายเพราะเพราะในรัศมีประมาณ200เมตรเนี่ยที่มีบ้านหรือหลังคาเรือนใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสที่จะติดหรือป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ในรัศมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุมนั้นมีอยู่5 6หลังคาเรือนหรือ10หลังคาเรือนก็แล้วแต่ถ้ามีเด็กเป็นป่วยเป็นไข้เลือดออก สักลายแล้วก็จะมีโอกาสที่จะระบาดต่อเนื่องส่วนทงเขียวก็เป็นทงที่ปากไว้ว่าบ้านหลังนี้ปลอดลูกน้ำยุงลายอันนี้เป็นการลงทุนที่ไม่แพงเลยนะครับแต่ต้องใส่ใจนะครับถ้าเราเห็นว่าการใส่ทรายอเบดบ้างการพ่นควั น, พ, น, พ, นพ่นยาต่างๆเหล่านี้ มันจะได้ผลมันไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการกำจัดลู ก, ลกน้ำที่อยู่ภายในบ้านนะครับาอเบดนะนะครับวนรอบๆ บ, บ้านเราถ้าเราไม่คว่มกระโหลกลาหรือภาชนะต่างๆหรือขยะแม้แต่เศษขวดเศษอะไรต่างๆนะครับหรื อ, อายางรถยนต์ที่พี่น้องเอาไปใช้ไถนารถอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทาให้มีแหล่งพ่อพันธุ์ ล, ลูกน้ำจงลายเกิดขึ้นมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธงเขียวเนี่ยธงแดงเนี่ยเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้พี่น้องประชาชนช่วยดูแลบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่แทบจะไม่ใช้ใจ่ายงบประมาณเลยแล้วก็เป็นการใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ต้องออขอรบกวนพี่น้องประชาชนคนครพนมช่วยช่วยกันนะครับนะครับเวลานี้ก็มีหลายอาเภอที่มีผู้ป่วย ไข้เล็ดออกเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มตั้งแต่อายุ15ถึง24ปีเนี่ยพบแล้วประมาณ23รายนะครับนะฮ ะ, ะไล่ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 0-4 ปีก็ป่วยนะครับไปจนถึงอายุ 55-64 ปีก็ยังป่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่างเรา เ, ราเราท่านๆก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นไข้เล็ดออกได้อันนี้ฝาก ช่วยช่วยกันจริงๆนะครับนะ ค, ค่ะข้อสังเกตของการมีอาการโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้นนี้มีอาการอย่างไรคะไข้เลือดออกนี่ก็มีมานานนะนะครับกเ็เริ่มแรกก็เหมือนกับเราป่วยเป็นไข้หวัดนี่แหละครับเพียงแต่ว่าอาการไออาการจามก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะฮะทำให้เราเข้าใจว่ า, เร า, เ, ราเราป่วยเป็นหวัดหรือเปล่าแต่ออพอสองวันผ่านไป3วันผ่า น, านไปไข้มันจะสูงลอยแล้วมีอาการปวดขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็เบื่ออาหาร เพราะฉะนั้นทานยาไปแล้วไม่ดีขึ้นขั้นเนื้อขั้นตัวมากแล้วก็ไข้ไม่ยอมลดทานยาก็ไข้ลงนิดหนึ่งอันนั้นให้คิดถึงว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกเลยนะครับพอวันที่สามวันที่สี่นะครับเราไปหาหมอหรือว่ารัดแขนดูนี่ก็มีจ้ำหรือมีรอยเลือดจ้ำเลือดเกิดขึ้นนี้ก็ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ปวดท้อง เนื่องจากมันมีอาการตับอักเสบแทรกซ้อนอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นมากกว่านั้นในวันที่4วันที่5ก็อาจจะมีเลือดกำเดาออกนะครับ เ, เลือดตามไรฟันออกมีอาเจียนหรืออุจจาระเป็นเลือดอันนี้เข้าข่ายของอาการช็อกแล้วหมายว่าเป็นมากแล้วในวันที่5ที่6นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าจะหายก็หายในช่วงนี้แต่ถ้าไม่หายก็คือช็อกเลย เพราะฉะนั้นต้องนําเรียนเลยว่าอย่าชะล่าใจถ้า3วันไข้มา3วันแล้วไข้ไม่ลดเนี่ยให้นึกถึงไข้แล้วออกไว้ก่อนใเวลานี้นะครับสําหรับอาการช็อกนี่เป็นอย่างไรคะคาว่าช็อกของทางการแพทย์นี้หมายความว่าเป็นช่วงที่ร่างกายไม่สามารถพยุงสัญญาณชีพออของร่างกายให้ปกติได้อย่างเช่นชีพจรเร็วนะครับแล้วก็หายใจเร็วอุณหภูมิสูงแล้วก็ความดันโลหิตต่ํานะครับ พอความดันโลหิตต่ําเนื่องจากไข้และหลอดนี้มันทําให้ของเหลวหรือน้ําที่อยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยซึมออกนอกหลอดเลือดไปอยู่ตามเนื้อเยื่อล้อมรอบหลอดเลือดจะทําให้เกิดอาการบวมนะครับท้องบวมหน้าบวมหรือว่ามีน้ําออกในช่องปอดอันนั้นแสดงว่าเป็นอาการช็อกซึ่งอาการอย่างเงี้ยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ นะครั บ, นะรบมีการต้องให้น้ำเกลือหรือว่าให้สารแทนน้ำเกลือหรือน้าเหลืองช่วยภาวะชอ็อกซึ่งอาการที่จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในช่วงช็อกก็คือเกิดอาการเ า, าเรียกว่าเลือดออกโดยไม่หยุดนะครับเลือดออกทุกถวาวรนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางจมูกทางปากตามไรฟันแล้วก็ทางเดินอาหาร นอกจากนั้นก็ตามผิวหนังที่เราจะเห็นเป็นจ้าเลือดเนื่องจาก เ, าเกล็ดเลือดของเราเนี่ยไปจับกลุ่มกับเา้าเรียกว่าเป็นแอนติเจนหรือเชื้อไข้เลือดออกทําให้เกิดการใช้เกล็ดเลือดจํานวนมากเป็นกลุ่มจับกลุ่มกันขึ้นในในระบบหลอดเลือดนะฮะพอใช้เกล็ดเลือดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดที่จะมาอุดรอยรั่ว จากบาดแผลหรือว่าเส้นเลือดแตกต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเสียเลือดโดยไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับแม้เราจะให้เลือดหรือว่าให้เกรดเลือดเพิ่มเติมก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียชีวิตก็สูงนะครับ ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะคะใครที่อยู่ในสภาวะช็อกเนื่องจากว่าอาจจะไม่ทราบว่าเป็นโรคคัเลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นที่มีอาการเริ่มต้นนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะเป็นโรคคั่ยเลือดออกให้รีบไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้โครงการน้อมนําโครงการโทบีน้ำม่ววันเป็นวาระจังหวัดนครพนมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาค่ายเลือดออกนะคะต้องขอบพระคุณ คุณหมอนะะในแพทย์ปราภาิภัทวีรพลในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครป น, นมปันอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังกันต่อเรื่องของการดำเนินการควบคุมค่าเช่าหนาฤดูกาลผลิตห่วงปี2558 5 9ทับและการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินค่ะ Om no, neva. No. เป็นอีกหนึ่งบทเพลงของจังหวัดนครพนมค่ะแต่งโดยอาจารย์นิวัตรโรจนาพงศ์นะคะพร้อมกับลงเสียงเองด้วยกับอาจารย์อภร์โรจนา พ, รราพงศ์ค่ะในช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางสัญจรไปมาโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันนะคะโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนแล้วหรือยังและช่วงของฝนฟ้าตกนะคะเริ่มปักดำนากันแล้วไถหวานตกกล้าแล้วนะคะซึ่ง หลายคนอาจจะมีที่นาของตนเองแล้วบางคนอาจจะไม่มีที่นาของตนเองเรามาฟังกันดูนะคะว่าการดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่านาฤดูการผลิตห้วงปี2558แทับหและการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินนะคะกับคุณวริษนันเสรอนทองจากจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันที่จะนํามาบอกกับพี่น้องประชาชนชาวนาครพนมเรื่องแรกก็คือการดําเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านาฤ ด, ดูการผลิตห่วงปี2558 59เป็นอย่างไรคะครับในเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับซึ่งได้ตระห น, นักถึงนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากประสบ ปัญหาในเรื่องภายแรงนะครับในเรื่องน้ําท่วมต่างๆนะครับพายพิบัติต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเช่านานะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากผู้ให้เช่านะครับกาจึงมีมาตรการนะครับในการควบคุมเข้าเช่านานะครับซึ่งจะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการเช่านานะครับซึ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องการ เช่านาในครั้งนี้นะครับซึ่งนโยบายนะครับการควบคุมการเช่นานาของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะมีมาตรการนะครับในการลดค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่าไร่ละ200บาทนะครับซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ยการเช่านาของในพื้นที่จังหวัดนครปนมนีประมาณ800ถึง 1,200 บาทนะครับต่อไร่ต่อปีนะครับซึ่งฤ ด, ดูการผลิตนะครับปี ห้าแปาเนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มดําเนินการแล้วนะครับเรื่องกระทรวงมาไทได้สั่งการให้ท่านในอำเภอทุก อ, อําเภอนะครับได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ใช้มาตรการควบคุมเช่านานะครับของปีนี้นะครับก็คือนะครับในเรื่องแรกก็คือตรวจสอบการจ่ายค่าเช่านาในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่านะครับที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตำบลหรือคอจกตำบลหรือไม่นะครับ ถ้ามีการเก็บนะครับเกินนะครับที่คอชกตบบลกําหนดนะครับก็ให้ท่านนายเพลแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่ให้เช่านาทุกไลน์นะครับแล้วก็ในมาตรการที่2ก็คือนะครับพื้นที่ใดนะครับที่การเช่านานะครับไม่เหมาะสมหรือมีอัตราค่าเช่านาสูงเกินไปนะครับก็ให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินนะครับเพื่อเสรีการบรรดาบลหรือคอชกตบบล นะครับซึ่งจะมีในระดับพื้นที่ตำบลนะครับซึ่งมีท่านกำนันนะครับของแต่ละตำบลเนี่ยเป็นประธานระดับการชุดนี้นะครับซึ่งถ้าค่าเช่านาสูงเกินไปนะครับก็มีการประชุมนะครับเพื่อปรับค่าเช่านาให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ให้ผู้เช่านาเดือดร้อนนะครับชาวไาวนาเดือดร้อนนะครับถ้าไม่ จัดเก็บนะครับตามที่คจรรอจกตำบลตําบลด์ก็สมารถองเรียนนะครับได้ตามาที่ทางศูนย์ตํารงจตําอําเภอหรือท่านในอำเภอโดยตรงนะครับนอก่างนี้นะครับก็ยังใช้มาตรการในการมอบหมายให้อณจกรย์การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำบลและคอจกตำบลนะครับโดยมีชุดปฏิบรรัติการระดับตำบลนะครับซึ่งมีประหลัดอําเภอเป็นหัวหน้านะครับหัวทีมมีกําลังผู้ใหญ่บ้านนะครับมีกเกษตรตำบลมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับข้อออกไปประชาธิปันยิ่งแจง นะครับแนวทางในการควบคุมค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่านะครับแล้วก็มีการนะครับประชาสัมพันธ์นะครับว่าในพื้นที่ตำบลใดนะครับอัตราค่าเช่านานะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งขณะนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอธิ like <ana S 1> <wed> like ัก์เทพอาจนะครับก็ได้ สังการท่านในอำเภอทุกอําเภอนะครับลงพื้นที่นะครับไปดําเนินการตรงนี้แล้วนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชาตจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็ทางผู้ตรวจกระทรวงมาไทยและก็ผู้ตรวจราชการกรกฏาคมก็มีการติดตามนะครับในในในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับค่ะของจังหวัดนครพนมนี้ราคาค่าเช่าเป็นอย่างไรคะไร่ละเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา 800- ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับคืนกับ สภาพภูมิประเทศนะครับในเรื่องของน้ำนะครับหรือสภาพดินนะครับพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าที่รุ่มใกล้น้ำนะครับที่เหมาะสมนะครับก็ราคาก็จะสูงประมาณพันพ1น0 0นนะครับที่แย่ๆหน่อยก็ประมาณ 800-900 ครับค่ะต่อฤดูการผลิตต่อหนึ่งครั้งใช่ครับถูกต้องครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมตามสภาพภูมิศาสตร์นะคะคเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอค่ะคก็ฝากถึงพี่น้องชาวนานะคะเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพในปีนี้นะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินในช่วงนี้นะคะได้มีการกําหนดให้ไปลงทะเบียนซึ่งจะต้องมี กฎเกณฑ์หรือว่าการดำเนินการอย่างไรคะครับสำหรับเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับในระบบเติมเงินนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเป็นไปตามามติคณะมนตรีนะครับเมื่อว 18, ันที่18กุมภาพันธ์สอ58นะครับซึ่งให้ความรับผิดชอบในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินนะครับที่ผู้ที่ใช้ซิมโทรศัพท์นะครับตามที่คสทชนะครับหรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับได้นําเสนอนะครับซึ่งเป็นปัญหาของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ต้มเงินนะครับซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นทางตามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่อื่นๆนะครับที่พวกอาัญญากรนะครับนำไปใช้นะครับในการก่ออาชญากรรมไม่ว่าการวางระเบิดนะครับในทาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือในการโจรกรรมนะครับการ ค้าขายยาเสพติดนะครับตรงนี้ก็จะใช้โทรศัพท์นะครับนะครับในการติดต่อนะครับเมื่อติดต่อแล้วนะครับก็จะทิ้งนะครับซิมโทรศัพท์นะครับทิ้งไปแล้วก็ไปใช้นะครับไปใช้อันใหม่เวลาที่จะติดต่อใหม่นะครับก็เป็นปัญหาในการติดตามนะครับหรือในการขยายผลนะครับในเรื่องของการติดตามคนร้ายนะครับหรือผู้ที่ก่ออาชญากรรมนะครับในเรื่องของยาเสพติดในการที่จะค้า นะครับค้ารถกดผิดกฎหมายนะครับข้ามโคงต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดความนมก็มีหลายอำเภอนะครับชายแดนสอำเภอนะครับที่มีปัญหาในเรื่องยาเสพติดแล้วก็ในเรื่องของการค้ารถยนต์นะครับข้ามโข้งไปนะครับอันนี้ก็เราก็จะลำบากในการในการที่จะติดตามนะครับกรณีที่ใช้โทรศัพท์นะครับในการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งยาเสพติดนะครับซึ่งก็สอก็สอด อทชนะครับก็ได้กําหนดให้มีการผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่นะครับที่มีซิมโทรศัพท์นะครับที่ใช้ระบบเติมเงินนะครับซึ่งแต่เดิมไม่มีการไปลงทะเบียนนะครับต่อไปนี้นะครับถึงเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนสุดท้ายนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องไปลงทะเบียนนะครับที่ระบบซิมนะครับซิมหรือเราเรียกว่าซิมโทรศัพท์นะครับ ใครที่ใช้ระบบระบบต่างๆนะครับที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเป็น AIS True นะครับหรือบริษัทอื่นๆนะครับที่บริการพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องไปลงทะเบียนซิมนะครับที่ของหน่วยบริการของบริษัทต่างๆรวมถึงทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการปกครองนะครับนะครับเป็นผู้รับลงทะเบียนด้วยนะครับณที่วการอำเภอทุกอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนที่ ไปติดต่อที่วการอำเภอนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนซิมนะครับโทรศัพท์นะครับโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปลงทะเบียนนะครับได้ที่วการอำเภอทุกอำเภอนะครับหรือสํานักงานเทศบาลเมืองนครพนมนะครับก็ได้นะครับซึ่งจะรับลงทะเบียนนะครับหน้าที่วการอำเภอแล้วก็สานักงานเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปต้นมาแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดนะครับการรับลงทะเบียน วันที่31กรกฎาคม58นี้นะครับถ้าหลังจากนี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้นะครับที่ไม่ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนซิมนะครับนี่ก็นำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องฝากจากท่านทิพย์ดีการปกครองนะครับว่าขณะนี้นะครับมีการที่ทางโซเชียลมีเดียนะครับในการหลอกลวงประชาชนว่าสามารถนะครับนต่างด้าวนะครับสามารถที่จะ จะทําบาดประจําตัวนะครับสวมตัวเป็นคนไทยได้นะครับโดยเก็บค่าใช้จ่ายห0 0 0ัถึงสี่หมบาทนะครับอันนี้ก็ยาจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับคนต่างด้าวนะครับที่จะมาสวมตัวเป็นคนไทยนะครับอย่าไปเชื่อนะครับท่านจะเสียเงินฟรีและจะถูกดาเนินคดีด้วยนะครับแล้วก็ออให้พี่น้องประชาชนได้เป็นหูเป็นตานะครับนะครับถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับปรหลาดอําเภอหรือเจ้าที่ปกครองในที่วิกาลอําเภอนะครับ ดูเห็นเป็นใจนะครับค่อยแจ้งมาที่ศูนย์รับลงทัเจังหวัดควม น, มนครปนมั้งานะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือโทรศัพท์นะครับที่ท่านผู้ว่าจังหวัดนครนม น, นะครับู้ี 25, อน่หาง1 5 15 15, นะครับที่หน้าห้องผู้ว่าจังหวัดววได้นะครับค่ะการลงทะเบียนซิมนี้ไม่เสียสตางะคะไม่เสียสตางค์ครับค่ะรับลงทะเบียนที่อาเภอที่เทศบาลนี้ทุกวันหรือเปล่าคะครับทุกวันทุกวันในเวลาราชการครับผม เว้นมันหยุดราชการนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะมีอะไรที่จะฝากพี่น้องประชาชนอีกบ้างคะครับมีเรื่องนึ่งนะคะที่จะฝากพี่น้องนะครับที่จ้างแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งขณะนี้นะครับจังหวัดนครมณฑนะครับโดยที่สํานักของจังหวัดนครมณฑนะครับโดยปลัดจังหวัดนครมนมแล้วก็ทางสํานักงานจัดงานงานจังหวัดนครมณฑ และก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครมนมีกาลังรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อที่จะทําบัตรประจําตัวนะครับสําหรับคนต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศในประเทศไทยนะคสามด้านชาตินะครับคือเมียนมานะครับลาวกัมพูชานะครับซึ่งขณะนี้นะครับมาลงทะเบียนเพียง 1,600 กร้อยกว่าคนจากสองพันกว่าคนยังเหลืออีกห้าร้อยกว่าคนยังไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะทํางานในประเทศนะครับ นะครัเราก็จะเปิดการลงทะเบียนนะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์ OES หรือศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับวัดท็อปเทอรวทนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่3นะครับซึ่งเราไปตั้งรับจดทะเบียนอยู่ที่นั่นนะครับจะถึงวันที่30มิถุนายนนะครับขอให้นายจ้างนะครับหรือต่างด้าวที่ทํางานในประเทศนะครับได้รีบนะครับไปลงทะเบียนนะครับถ้าหลังวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีการ นะครับจับนะครับปรบติดคุกนะครับแล้วก็ผักดันกลับประเทศนะครับค่ะวันนี้รายการบ้านเมืองน่าอยู่หมดเวลาลงแล้วคะ่ะคุณวริษนันเสือทองจากจังหวัดนครพนมและที่ชั้นกรกนกยิปกุลคะ่ะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับมาถึงแล้วไม่ต้องไปถึงเกาหลี ไม่ต้องหนีไปพัทยาหรือภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนำนิทรศการอาเซียนสามมิติมาถึงบ้านท่านแล้วเปิดให้ชมฟรีทุกวันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมถนนนิตโยตมบลหนองยาิอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนอกจากท่านจะได้ถ่ายภาพเสมือนอยู่ในสถานที่จริงท่านจะยังได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านภาพสามิติ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่042503569ครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งการทุกหน่วยร่วมกับทหารกด